รูปของรูปของพระพุทธรูปด้วยเราก็จะได้ลําลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเหมือนอย่างพวกเราอยู่เมืองไทยกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอเสร็จแล้วบางคนก็ไปกราบถึงประเทศอินเดียไปกราบสังเวช ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทันยัจสถานสี่แห่ง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 ในอบายามากกาว่าอบายมกมุขเนี่ยแปลว่าจีบหา ย, ยู่ซึ่งปากามมมมมสมมติว่าเราไปเล่นโบกเล่นไพ่เล่นโบ ก, โบกมีคู่กับขี้ใช่ไหมคู่กับขี้ถ้าเราทายผิด เ, เร า, าคูา่แต่มันออกขีเ้เราก็จีบหายแล้วะเน่ยจ่ายเงินให้เขาวพาเราทายผิดเนี่ย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 เขาพูดทุกแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้วิชาจุดนั้นมา <c oughs> เขาต้องมีประสบส ก, ะการณ์ซะก่อนเขาต้องทำซะ ก, ก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาคิดฝันไปแล้วก็เขียนตำราไม่ใช่นะจงพูดว่าเขาจะเรียนเรื่องข้าวเขาก็ต้องทำเขาลงมือทำงานเรื่องข้าวซะ ก, ก่อนพอทำข้าวเสร็จแล้วแต่ไหอเขาปลูกยังไงเขาทำยังไง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 แต่วิชาก่อนที่จะมาเกิดขึ้นมาได้นะในหลักของพุทธศาสนาท่านบอออกมาจากใจใจคิดก่อนไม่จงออกเป็นวิชาเหล่านั้น น, ะนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยจะเรียนเรียนหลวงพ่อของพวกเราทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อเรียนเรียนหลักวิชาจามันกอดที่มันจะออกไปให้พวกเราที่เรียนได้ศึกษารออกไปจากใจเนะีย่ยว่ามนโนปุพังขมาธรมมามนโนเสรษฐามนโนมายา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 จึงจะเหมาะสมจึงจะไปได้ดีถ้าว่าพวกลูกหลานทั้งหลายเดินผิดที่ผิดทางนะอยากจะรวยทางรัดขายยาบ้ายามาอผลให้สุดนะติดคุกติดตราอทาที่แรกกับตัวเองฉลาดนะใครจับไม่ได้ขายหลายครั้งต่อหลายหนเขาก็จับตามองอยูอ่ว่าเป็นผู้ฉลาดนะแต่พอเขาจับได้เยมองหน้าใครก็ไม่ได้เห็นไหม ลูกหลานเห็นนักโทษไหมเออพอเขาจับได้พี่ตะโกมน้าทุกคนเลยเออที่แรกก็ว่าตัวเองเก่งเลยนี่แหละถ้าเราก็เหมือนกันถ้าเราทำไม่ดีมันก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายนะสรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่า เ, เลิศประเสริฐยิ่งกว่าการสาะงแสวงหาทรัพย์ให้รู้จักหาพอหาด้วยความหมั่นควางพยานแล้วให้รู้จักเก็บเนย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 ไว้เจริญเไม่ควรจะหนักไปทางการพนันหนักไปทางยาเสพติดสิ่งที่มันเสียหายอบายยมุกทั้งหลายไม่ควรจะไม่ควรจะดาเนินควรจะตั้งตนให้ไว้ให้ชอบเป็นคนดีสรุปแล้วตั้งใจทำการทางานในเมื่อบริษัททางร้านเขามอบหน้าที่มอบหมายการงานให้ให้เราทาเรื่องอะไร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 เพราะนั้นเราอยู่ยนัตสัตยานที่ใดต้องเชื่อช่วยกันเกื้อกูลอุดหนุนกันอย่างวัดว า, าศาสนาคงเหมือนกันแต่เรามาอยู่บวชเป็นพระมาอยู่ในวัดถ้าเราทำตัวไม่ดีถ้าวัดกิตติศัพท์ชื่อเสียงของวัดเสียหายวัดของเราอยู่อยู่ได้อย่างไรเราอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีใครมาไม่มีใครสนใจแต่ถ้าว่าวัดของเรา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 เราไม่ต้องหาที่อื่นเราทำตัวให้ดีเท่านั้นละ่ะดีเองถ้าเราทำตัวให้เลวนะเสียหายนะลูกหลานน ะ, ะใครใครไม่อยากใครใยรกไม่อยากจะมาคบค่าสมาคมถ้าว่าพวกเราเป็นคนดีเสียวเนี่ง อ, อยู่ที่ไหนก็รลมเย็นเป็นสุขดีใครใครจะมาเป็นญาติเป็นมิตรอยากจะมาเป็นหมูเป็นเพื่อนมาอยากจะมายกยอให้เป็นครูบาอาจารย์